ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพระศาสนิกุนชนนั่หลายวัน <c oughs> นี้ก็คงมาพบกันในเรื่องเขางมโหสดบัณฑิตคราวที่แล้วปรากฏว่ามาจบลงแล้วก็หยุดลงตอนที่มมโหสดบัณฑิตเอาสาวสวยพันยาที่รัก ไปฝากไว้กับนายประตูแล้วก็เชิงชายมาทดลองไม่อยากจะรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นคนใจบุญหรือว่าคนใจไม่บุญเําหมาคนใจบุญก็หมกว่าว่าให้ชีวิตหรือว่าให้ร่างกายเป็นประโยชน์กับชายไม่เลือกอย่างนี้เลยจะคนใจบุญแต่ว่าใจบุญก็เพศนี้มันมีโทษ ไมายกวาว่าทรรมนาคดให้เศร้าหมองเป็นนักชาชคนที่หนึ่งที่ไม่ให้เปิดส่งไปได้เงินไปพันตำลึงไปถึงนางอ่า น, นที่นาอนพักอยู่แล้วก็พูดจาเกี้ยวประกอบก็ะทำท่าทำการกุ้งกลิ่นพนาการเจ้าโชกอย่างเยนะ็นน่าเออโอยด้วย แต่ว่นนางก็ไม่ปรารถนาเธอคิดไปว่าชายที่มานี้จะด้เตียบเทียบกับมโหสถซึ่งเป็นสามีของเธอจะเท่ากับละอองที่ใส่ของละอองของรองเทา้าของเท้าของหมหสถจรรสามีของเราก็ไม่ได้ชายคนนั้นกลับมาบ อ, อกกับมโหสถจึรความหมดฝังที่ตน ก็เลยททุกอย่างเกี่ยวทุกอย่างเจ้าช่วทุกแบบไม่สําเร็จคนามที่นั้นแบบนั้นเขาเคยใช้กับสตีอื่นมาแล้วแต่ก็มีผ ล, แ ต, ผลแต่ก็โดนอมันยอดขนเส่งเป็นยอดมารีสีแพรสีหนูสีมันตปัญญานะยอดนารีเป็นสีของปัญญานะ อสมัยความมีปัญญายอดยิ่งมีสริบางคนยอดยิ่งเป็นคนมีปัญญามากเธอก็เต็มไปด้วยความซื่อสัตสุจริตในรืย่ยางนี้ถ้าต้องคิดในสมัยปัจจุบันในสมัยปัจจุบันอยู่เอย่างนี้ก็มีมากแต่ที่ใจบนที่จ ร, จริงก็มีไม่น้อยเหมือนกันก็เป็นเหตุให้ต้องคิด เรื่องของคนช่างอย่าสนใจลูกหลานที่รักแล้วดูตัวอย่างถ้าหวังจะมีคู่หญิงก็ดีชายก็ดีถ้าปราศจากการสู้สัจจ ร, ริตกับสามีและพรรยาของตนบ้านนั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนดูตัวอย่างต่อไป แต่แตอมาหมอโสก็ได้ส่งชายหนึ่งเปลี่ยนหน้ากันไปถึงสามครั้งเว่าเป็นคนที่สามอีสามคนแต่ทุกๆครั้งชายหนึ่งที่ไปก็ผิ ด, ผดหวังกลับมาจะเป็นแบบาบไก่ชู้ไก่ชู้ไ ก, ก่แจ๊ดไก่ชู้ไก่โต้ไกชู้ไก่ชนไก่ชู้ยักษ์ไก่ช้อะไรก็เยอะแยะ ไม่ไม่ไม่ไม่มีผลไม่ใช่จะมานันงหลอกกงา่ายบอกนี่ฉันมาหางานทำแล้วเขาบอกว่านี่ฉันมีงานให้ทำแล้วก็ตามเข้าไปโดยไม่ใช้ปัญญาคิดในที่สุดก็ต้องอย่าอายับ ก, กลับมาและซื้อพึงก็ลงอยู่เสมอเสมอในหญิงเดเพศนี้เป็นหญิงที่มไม่ใช้ปัญญา ไอ้บางดรือบางคราวก็มีความหวังในการรื่นเริงในชีวิตเป็นอกสนไหลเขชีวิตมากเกินไปแต่ในที่สุดตนเองก็ช้ำใจที่ว่าฆ่าตัวตายก็มีมากมีทั้งนี้ก็เพื่อมีความไม่มั่นคงเขาชีวิตทำให้ชีวิตคขาเศร้าหมอตอนนี้ต่มมาในครั้งที่สี่หมอสดได้ส่งคนไปอีก คนคนนี้ธรรมโอสถได้สั่งว่าถ้าไปถึงก็ไม่ต้องเกี่ยวนะว่าจะโชยักกันเลยไปถึงแล้วก็ฉุดนางมาหาเราชุดมันเลยไม่ต้องฟังเสียงจะรักขึ้นไม่รักจะร้องนี่ไม่ร้องจะดิน้นนี่ไม่ดินน้นไลยสาคัญไปถึงฉุดเลยฉุดมาหาเรา ใช่คนนั้นรับคําได้สดตางค์พันตำลึงเ้ยเขาจ้างว่าโถยความจริงถ้างปู่เป็นใครคนนั้นก็เอาไม่กันนี่สามคนมาแล้วได้แต่คนละพันตำลึงได้มาสามคนลงทุนแค่ท่าทางเป็นการสแสดงละครแต่ความจริงก็ไม่เกิดละครหน้าฉากก็ ว, ว่าไม่เกิละครไม่ใช่ละครหน้าจอไม่ใช่ละครบนเวที มันเป็นละครที่แสดงกันจริงๆถ้าเธอโอเคด้วยก็หมายความเราเสร็จไปแต่้ ว, ว่าบางเองิญนางเอกไม่ได้ ง, งานซึด้วยแต่ว่านายนั่นก็เลยเสียทีในการแสดงว่าได้ค่าแสดงทั้งสี่พัน 4, บาทพวกว่าสี่ตำแหนงสำหรับคนที่ที่สี่นี้ไปพอไปถึง เอไปที่พึถึงที่พักเขาหนาวอาณาหมน อ, อยู่ก็ไม่พูดพร่ำทําทเพลงกันละรับสั่งมันยังไงก็ไหวอย่างนั้นเข้าไปถึงก้คว้าตัวได้ก็แบกลิวลิวลีก็ดิ่งจะเดินฉันไม่รู้ก็แบกมาแล้วก็อุ้มมาก็ไม่ทราบเพราว่ากันไปก็แล้วกันเอามาได้พอมาถึงมโหสถก็มามอบไปจะมโหสถ แม่มอนถูกชายคนนั้นฉุดคล่ามาพอเห็นโมโหสถก็จําไม่ได้ไม่อตอนนี้มโหสถท่านสดตามชื่อไปแล้วนี่นว่าเพราะว่าตอนที่โมโหสถไปหาเธอมโหสถแปลงไปในช่างชุนไปแต่งตัวอย่างทุลกทุเลไมายความเป็นใกล้ช่างชุนรับแจ้างก็ชุนแต่งตัวสวยก็แต่งตัวสวยไม่ได้ มันก็ต้องแต่งตัวอย่างคนจนนี่สำหรับในตอนนี้นางเห็นความไม่นคงความสมบูรณ์อของมโมโหสถที่นางในครกก็ไม่คิดว่านี่เป็นมโมโหสถคิดว่าเป็นคนอื่นนางมองดูมโมโหสถแล้วก็หวัวเราะแล้วหลังจากหัวเราะแล้วนางก็ร้องไห้ สำหรับมหาโหสถธ้น่ากายน์ข้นนานนั้นจึงได้ถามว่าน้องของพี่ที่รักวันนี้น้องเป็นอะไรไปพ็ปเดียเเด๋ยวหัวเราะก็เดี๋ยวก็ร้องไห้นามนจริงได้พูดกับมหาโหสถว่าทวายเจ้ า, าจเห็นสมบัติของท่านแล้วคนนึกกลื้มใจว่าการที่ท่านได้สมบัติมาหาศาลทั้งเพียงนี้ ก็เพราะว่าบุญญาธิการของท่านก็พระเจ้าชอบใจในผลบุญที่ท่านได้กระเพลินมาดีแล้ว น, นี่นางฉลาดมากแต่นึกในใจอย่างนี้แล้วจะในหัวเราะแต่เมื่อหัวเราะแล้วก็กลับร้องไห้ก็เพราะว่าสงสารท่านเพราะท่านกะทำกรรมชั่วขึ้นไปแล้ว โดยที่ท่านคิดมีดีมีร้ายต่อสตรีที่มีผู้หวงแหนก็หมายความว่าอย่างฉันเนี่ยฉันมีพอแล้วนะทําไมท่านยังต้องการฉันยิงสาวที่ยังไม่มีสามีน่ะมเถไปเพราะความโว่วของท่านนี้อย่างนี้แน่ในข้อนี้นั่นแหละเกรงว่าท่านจะรับความทุกข์ในกระบวนการต่อไปรั้งหนา มีเป็นว่านางถึงแม้ว่าจะอยู่ในอใน้อมแม้วในกลองเล็บของพญกลายแต่ก็นาง ก, ก็ยังมีสติสัมปชัญญะมีวาทะต่อมโหสถแต่ความจริงตอนนั้นนางจะไม่ได้จริงๆเพราะมโหสถนี่อยู่ในเคของพระราชาฐานมีบริวารมากมีทรัพย์สินมากสถานที่อยู่พระราชาพระราชาฐาน แลวก็เป็นที่โปรตรายของพระราชาเครื่องประดับเครื่องประดับประดาม้านมันก็มากบ้านก็ใหญ่โตมโหฬารเธอจะไปจำได้อย่างไรก็ว่าโหสถเวลาที่จะไปหาเธอแต่งตัวสมรสรเป็นในช่างชนรับจ้างเขาชนผ้าเป็น อ, น, าาอนุวาธรมโหสถในพิจารณาถ้อยคำข้อนานแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าการทดลองโดนนางมอนเห็นว่านางเป็นคนเป็นผู้บริสุทธิ์และมีความซื่อสัตย์จริงจริงทเกิดความรักและความเอ็นดูขึ้นมากได้สัง่งชายที่ฉุดนามมาบอกว่านี่เจ้าจงพานนางไปอยู่ที่เดิมนะอย่าทำอะไรเขาเลยหญิงคนนี้นะ่ะ ฉันทําอะไรก็ไม่ได้หรอกเขาเป็นคนดีก็มีความซื่อสัดสุริตต่อสามีของเขาฉันนี่มันก็เลวมากไปหน่อยนะที่ความจริงไปรักคนเขามีสามีเข้าแต่ความจริงเธอก็สวยมีจริยายก็เรียบร้อยน่ารักวาจาที่กล่าวมาก็น่าชื่นชมหวานรื่นชื่นใจ ให้ถ้าเป็นหญิงทั้งหลายเขาคงจะด่าฉันถ้าก็ไม่ชอบแต่บางทีเว้นทรัพย์สมบัติฉันมากๆเขาอาจจะชอบใจก็ได้ดีไม่ดีอาจจะเห็นว่าสามีเดิมไม่มีความหมายซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจตัวอย่างเช่นเมื่อเจงเมียมาเทิงเป็นต้นเมื่อเพื่อนน้อยฉุดไป แต่ด้วย่าแทนที่นงางจะเสียใจกับดีใจกลับเป็นพัญญาที่รักแล้วก็เฝ้าปฏิบัติพยานน้อยซึ่งเป็นราชาแต่ด้วว่าหญิงคนนี้ไม่ใช่หญิงป่ะเพศนั้นไม่ใช่หญิงใจบุญเสียแล้วขอโทษคำว่าใจบุญในที่นี้เนี่ยมันได้ว่าปล่อยตัวใครต้องการอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามความปรัชนาของกามารมณ์ ตัวหญิงนนี้ใครจะเชื่นชมแบบหญิงประเภทนั้นไม่ได้ฉะนั้นหญิงประเภทนี้เราขอบูชาจเจ้าจงพานางกลับไปที่เดิมนะไม่ชชยก็นั้นพาไปแล้วมโหสถจนิกลอมตัวเป็นร่างชนผ้าตามเดิมแล้วก็ไปหานางที่พัก พักอยู่กับนางหนึ่งคืนเครื่องขึ้นอย่างรไฟเป้าพ น, นาวทนะนาทมพรเทวีตอนนี้ตจริงพันย า, นาคือนามน์คนจะเล่าเรื่องให้ฟังอาจจะพูดว่าหมายนี่ท่านหายไปแคย ว, วันสองวันนี่หม่ไม่อันดภานั่เยอะแยะพูดเมาโลกีมารุกรานนั้นท่าทางกุ้มกลิ่มทำเป็นคนรวย ทำเป็นคนสวยทำเป็นวาทะหวานและในที่สุดก็ถูกใครแจ้งวานให้ฉุดไปก็ไม่ทราบนางคงจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าตามพระบาลีท่านไม่กลา่าวก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเมื่อกันั่งเมื่อโหมโหสดเข้าไปราาาาา ก, กราบทูลในนาอุทวัฒนนาอุทมพรทีวีสรงทราบ ถึงเรื่องที่ได้หญิงที่ตนตกใจมาแล้วก็เวลานี้มาพักอยู่ที่บ้านคนเฝ้าประตูะนาวนมโอทุมพรยินดนีนำนี้ควาเขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบเมื่อพระเจ้าวิเทห ร, ร, ราชรับทรงทราบแ้จึงรับสั่งให้นางกานันนำเครื่องประดับอมีค่า ให้เป็นม่อพระกันนางอมอนแล้วก็ให้ขึ้นวอใหม่ไอ้วอนี่ก็คือคันหำเพรานะในเวลานั้นไม่มีรถเครื่องจะมีก็รถมา้าแต่ถ้าว่าผู้หญิงโดยมากเขาไม่ขึ้นรถเครื่องขึ้นคันหมซึ่งประดับประดาเป็นวอทองไม่ประดับประรำเวลานี้เขาไม่จะใช้วอใส่ศพกันมากกว่า เส็แล้วก็วใหญ่นำกลับไปบ้านนำมาที่บ้านเมโห่อสดทำวิธีมงคลสมรสอย่างสมเกียรตินี่พิธีกรรมมาที่หลังแต่การตกลงซึ่งกันกรรในฐานะสามีภรรยาเขาเป็นกรมาก่อน<ว>ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของแปลกแรื่อวิธีกรรมก็วิธีกรรม เป็นการตกลงกันว่าเป็นการตกลงกันเป็นอันว่าเข า, าเขาเป็นสามีพัญญากันก่อนการแต่งงานทั้งนี้ก็เห็นว่าจะเรื่องปกติธรรมดาก็ว่าถึงแม้ว่าสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่มักขยันตกลงกันก่อนก่อนการแต่งงานแต่มีอยู่คราวหนึ่ง ต้องโปรไปเจอแปลกที่ว่าแปลกก็รว่าบาังเอิญไปพักอยู่ที่วัดมัดหนึ่งบ้านของเขาบ้านของคนคนนั้นเขาติดอยู่กับหลังกุติพระก็ยะห่างกันจริงๆก็ไม่ถึงสามสิบเมตรไม่ถึงแน่แลกลายกฏว่าหญิงสาวคนนั้นเขาแต่งงานในสามเดือนก็คลอดหมด เจ้าเด็กคนนี้มันมีอายุในท้องมันดาเขาสามเดือนเท่านั้นเองลูกแปลกดีเหมือนกันหรือว่ามันย่องแอบๆมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวเรื่องสามเป็นเรื่องความรักที่เขาตกลงกันได้เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกท่นี้ก็มาพูดกันทั้งเรื่องราวของหวโสดต่อไป ทั้งกล่าวทั้งชาวบรครต่างๆก็พากันจ่ายของขวัญมาให้เพราะว่าเขารักมโหสถมีคนดีมีปัญญาอย่างนี้นะลูกหลานที่รักขอลูกหลานเอาตัวโมโหสถเป็นตัวอย่างเพราะเรื่องนี้จนะมีทั้งคนดีและคนเลวคนที่ดีเป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือโมโหสถ เป็นบุคคลที่ลูกหลานที่รักควรจะตัวเป็นตัวอย่างแต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวปะวัยข้านาอ ม, มอก็เช่นเดียวกัน <S <S เป็นคนดีมีปัญญามีความซื่อสัตย์สุจริตน่าการอย่างนี้ลูกหลานจะต้องคิดแล้วก็จดจําเขาไว้เป็นอนุนว่าเมื่อชามละครต่างรู้เข้าก็พาการจ่ายของขวัญมาให้ เรื่องในการสมรสระยำนโมโหสถบัณฑิตกับนาอมนมีจํานวนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยมากันมากเรื่มมากันเยอะอคนนี่เขาเลยกันแบรรโบโมโหสถบัณฑิตเป็นคนฉลาดในรู้กันทั้งเมืองแต่งคนก็ต่างมาของฝันก็รับไม่ไหวเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดหนาอมอนยได้นําของฝันนั้นหลายดดานั้นทั้งหมด ไปสงเคราะห์ชาวพระนคคือชาวบ้านที่มีความยากจนเข็นใจเองไหมคนดีเขาเป็นอย่างนี้อย่างเวลาฝนแรงกนดีคนเราข้าวเขาตายกันน้าท่วมมากคงเขายากจนมากนี่ถ้าเรามีของพอบงงาบแบอย่าไปกันได้ลูกหลานที่รักช่วยกันสงเคราะห์คุละไมค้คนลมือถ้าเรามีสุขเขามีทุก เราก็ทุกข์ด้วยแต่าว่าเรามีสุขเขาทุกข์เราช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่หมดทุกข์ก็กำเนิดการบรรเทาความทุกข์เราทุกข์ก็จะน้อยลงไปทั้งนี้เพราะอะไรว่าข้าคนก็อดกันทั้งเมืองมีเรามีทรัพย์สินมากมายแล้วเอาเปรียบเพื่อนที่ได้รับความทุกข์ซึ่งคนที่ผลแล้ง เขาไม่ได้ข้าวถ้าเขาไม่ซื้อเราเราก็ราคาแพงๆอย่างนี้เอาเปรียบเขาไห้ถูกน้ำท่วมไอ้ซาบว่าของขึ้นกันเป็นการใหญ่ขายของหน้าเรือของราคาหนึ่งบาทเป็นสองบาทสองบาทเป็นสี่บาทดีไม่ดีของนี้เขามาตามนำไปแจกคนนีที่แล้วความลำบาก ได้ข่าวตามน้องคือพิมพ์ท่านลงข่าวว่ามีข้าราชการจังหวัดหนึ่งเขาส่งผ้าไปร้อยี่สิบผืนกระห่มพราะพวนั้นไม่มีจะห่มข้าราชการคนนั้นขโมยไปสามสิบผืนเดินมาหนึ่งคืนก็ปู่ฟังข่าวทางวิทยุในปีพศสองพันห้ารอยี่สิเอนี้เอง น้ำท่วมมากปรากฏว่าด้ข่าวว่ามีข้าราชการคนหนึ่งขโมยผ้าห่มเข้าไปสี่พันผืนมีคนโลเลยอย่างนี้นะไอ้เครื่องแบบที่เขาแต่งเนี่ยไม่ใช่ทีว่าเครื่องแบบจะทำตนให้เป็นคนดีํำว่าข้าราชการทำงานเพื่อประชาชาระ บ, บาดสำเด็จที่ใจหัวของเรา ทรงสงเคราะห์เยี่ยมเย็นประชาชนใครยากจนที่ไหนไปที่นั่นหาแหล่งน้าหาแหล่งการเกเตรหาแหล่งการชนประทานทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนตั้งฝ่ายคณะรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันนอนไม่หลับเขาอดกันที่ไหนลขาลบากกันที่ไหนไฟไหม้ที่นอดน้นาท่วมที่หนีฝนแรงที่นั่น ท่านคณะรัฐบาลมีนายยศรัฐมนตรีก็นอนไม่หลับไหมเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปตัวท่านเองก็ไม่ค่อยจะสบายใมพระบาทสงเด็กทีะเจ้าอยู่หัวก็เช่นเดียวกันสุขภาพไม่เอยก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักได้ทรงมีอายุมากแล้วท่านนายย ก, เก็เคยบกหกสิบก็ไปกัน ถ้าบรรดาประชาชนหลายที่มีจิตเมตตาปรนนิบุนิทิ่ต่างๆองค์การต่างๆก็ช่วยเหลือกันแต่ด้วยว่าของที่หลายทีน่นำไปนั้นมันไม่ถึงมือรัษดรพระญา จ, จนครบพ้นบริบูร์มีนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาว่าขา้าราชการสตรีจังหวัดหนึ่งพอมีชาวบ้านเขาของมาให้เขาก็กา น, า น, าน้างอ พ่ามากันทําไมก็ไม่รู้ถ้าไห้เราลําบากจะต้องกรอกเขาา้าแสนต้องจัดน่นจัดนี่อยู่นี่เธอไม่คิดว่าเองพอเองเงินดาวเงินเดือนที่เธอได้มันได้มาจากความเสียก่อนของคนที่น้ําท่วมและฝนแรงเขามีความทุกข์ยากก็มีความลาบาก แต่ความจริงเธอเมื่อเวลาก็ามีความทุกข์ไอ้เงินดินของเธอมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเจ้าของพอเสียคนนี้ก็เสียก็เสียก่อนมาให้เราเจ้าของเงินที่เขาส่งให้เธอเป็นประจำเดือนเธอมีความสุขกว่าเขาเวลาที่เขามีทุกข์จริงแค่เธอเองไม่ต้องลงทุนเป็นเพียง ว, ว่าช่วยแจกของไปแจกซึ่งมันเป็นหน้าที่ เท่านี้เธอก็น่างอเข้าใจนี่น้องปู่อ่าอนมาซีพิมพ์พบนะจริงนั้นไม่จริงก็ไปเรื่องเขาน้องซื้อพิมพ์เขาแต่น้องปวู่เองก็เคยเจอมาเหมือนกันที่ประมาทสําเร็จไปะเจ้อยู่ขัวทรงให้ตั้งโศลสรงคระบุคคลผู้ยากจนในถินทระกันดานเมื่อคณะรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีทราบข่าวก็ร่วมมือทันที ล้ม โ, โปะขอข้าวกันสองัยเราสอบท่านก็นให้ทันทีให้น้ำตาลมีสองร้ยเราสอบให้พันผักมาให้ของอตไะหลายอย่างแล้วก็มีบรรดาพี่น้องชาวไทยเดาทั่วประเทศคำว่าทั่วประเทศนี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าทุกทิศเขารู้ว่าถ้าบาดสุนยรีหัวให้ล้มโปะตั้งสวนทรงเคระ์บุคคลผู้ใหญ่จนในถิ่นทุรกันดาร ก็พากันบริจาคทรัพย์มาเป็นจนวนมากแต่เวลาที่มันแจกไปแจกลูกหลานที่รับน่าแปลกในที่วางจุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจด้วยเราไปทำในเขตของเขาบางเขตเขาก็ไม่ชอบใจเราเหมือนกันเขาหาหักหน้าหักตาเขาอย่างนี้ก็มีบางทีผู้ใหญ่บ้านกำนัน ไอ้คนจนจริงๆไม่ยักอัมรัตอัมรัตโดยเฉพาะพักพวกของตนแล้วคนอื่นมาบ้างหลวงปู่ไปเกือบทุกจุดเพราะแค่แจ้งแยกคนจนมาก็ขอไปแล้วก็เผื่อไปโดยมากเผื่อไปทั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าร้อยหนึ่งหลวงปู่ก็ไปร้อยห้าสิบเขาบอกว่าพันหนึ่งหลวงปู่ก็ไปพันห้าร้อย แล้วก็มีทุกจุดแล้วมีคนมารายงานมีคนมารายงานว่าผมเองก็จนครับมันผมมีลูกทั้งแปดคนนี่มีรายหนึ่งมาไล่ฟังผมมีเนื้อที่อยูซีไร่ทําไม่ได้ข้าวเลยแต่ว่าผมก็ไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ที่จะารับของท่านเลือกท่านพยาบาลมาถามท่านพยาบาลก็บอกจนจริง ถามว่าจนจริงทําไมท่านไม่เอาชื่อเขามัาด้วยล่ะไม่แจ้งยอดไปท่านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไปที่บ้านไม่พบได้ความจริงลูกหลานที่รักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือว่ากรรนันเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถามใครว่าจนแล้วไม่จนเพราะหมู่บ้านนี้แค่ปกครองดูแลมันนิดเดียวเพียงแค่นึกก็รู้แล้วว่าคนนี้จนแล้วคนนี้รวย นี่รูล้ละนี่รักจริยาแบบนี้นะจงอย่าเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็จงอย่าคิดว่าข้าอยากการคนดีพุทธบ้านกําเนิดทีจะเลยเสียทุกคนตารโบราณเียกล่าวว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีทมไปคำว่าคนชั่วก็มีก็ตามตามตัวอย่างนี้กล่าวนี้นี่ชั่วคนดีเขาก็มาก ที่นี่ว่านอกจากพระ บ, บาทสมเดยี่หัวนอกจากคณะรัฐบาลข้าขราชการส่วนกลางแล้วก็มีองค์การต่างๆมอนิทีประชาชนเห็นมันดาพี่น้องชาวไทยของเราหดข้าวทามถว่วมช่วยกันจนกระทั่งสุดแรงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกระทำความพยายามอย่างนั้นน่าสลดใจ ขอลูกหลานท่านหลายจงเอาตัวดูตัวอย่างข้านามอนว่าของขวัญที่ข้านำมาให้นั้นถ้าจะใช้นันก็ใช้ไม่หมดถ้าจะทิ้งไว้มันก็เสียประโยชน์เอาไปแจกกับคนยากจนขินใจนี่ที่ว่าเป็นสังขาวัตถุเป็นสังขาวัตถุที่นามอนสร้างเสน่ห์กับบรรดาประชาชนทั้งหลาย ถ้ามาโหสุดผู้เป็นสามีเนี่ยเป็นมีสเสน่ห์อยู่แล้วเขาก็ได้นางแก้วคืนนางหมอนมาเป็นพันยาก็เป็นยอดนารีสีพัญญาหมายความว่าเป็นนารีที่ช น, นะกําลังใจของบุคคลหลายตามที่ท่านผู้กล่าวมาแล้วว่าเราจะสร้างความรักก็ต้องหนึ่งการให้รงเคราะห์สิ่งกันละกันรองพูดจาไพเราะ สามช่วยเหลือด้วยกำลังกายถ้ามีความจำเป็นสี่ไม่ทิงตัวที่ว่าเขากับเราเสมอกันเป็นเพื่อนที่รักกั น, น, นและลูกหลานที่รักทังหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เกินไปแล้วตอนนี้ไปก็อย่าขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ยังมีเดลูหลานที่ทรักทุกคนและบรรดาทา่ทานผู้ศษาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี